ไปทำบุญด้วยการถวายทานนะให้กับพระสงฆ์เนี่ยพระท่านก็จะให้พรนะเป็นภาษาบาลีและบทที่มักจ ะ, ะใช้อยู่บ่อยๆในการให้พรญาติโยมนะก็คือบทที่เรียกว่าเจตถาสัพพีนะจตถาวิเวะหาปุราปริปุเรนติเนี่ยความหมายนี่ก็ดีนะห่วงน้ำที่เต็มย่อง อย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดหมาสมุทรนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลนะแต่ว่ามันเติมเต็มได้นี่ก็เพราะห่วงน้ําก็คือลําห้วยลําทานหมาสมุทรนี่กว้างใหญ่นะขณะที่ลําห้วยลําทานนี่นะเป็นห่วงน้ําสายเล็กๆแต่หมาสมุทรเนี่ยก็ต้องอาศัยพึ่งพา ลำห้วยลำธารเนี่ยนะแล้วถ้าเราดูเนี่ยลําห้วยลําธารเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะก็สายหยดน้ําหยดเล็กๆเทเ ล, ทลหยดเทเลหยดที่มารวมกันกลายเป็นลําห้วยลาําธารต้นน้ําเนี่ยที่เป็นบอกเกิดของลําห้วยลําธานี่มันก็ถ้าเราไปดูในใ น, ในป่าเนี่ยนะมันก็เกิดจากหยดน้ำเทเลหยดเทเลหยดที่เออ่ พื้นดินหรือว่ารากไม้นี่ก็ค่อยคายออกมาผู้ใหญ่นี่คือว่ามหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพาศาลนี่นะมันก็อาศัยหยดน้ําที่ไร่หยดนี่แหละหยดน้ําเล็กๆเมื่อมารวมกันนะมันก็กลายเป็นมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ได้อันนี้ท่านเปรี่ยนมันกับบุญกุศลนะบุญกุศลหรือความดีเนี่ยแม้เล็กน้อยเนี่ย แต่หากว่าเราทำทุกวันทำทุกวันทำสม่าเสมอเป็นนิดเนี่ยมันก็เกิดเป็นมหากรุสสนที่ยิ่งใหญ่ได้อันนี้ท่านก็พูดเพื่อไม่ให้ประมาทนะหรือว่าได้ค่าความดีแม้เพียงเล็กน้อยนะแต่ถ้าทำทุกวันสม่าเสมอมันก็สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเทำให้มีความสุขมีความสงบเย็นมากขึ้นขึ้นชื่อว่าความดีหรือว่าสิ่งดีงามเนี่ยรวมทั้งความถูกต้องหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะแม้ดูเหมือนเล็กน้อยแต่ทำทุกวันทาทุกวันเสมอ น, นี่มันก็เกิดผลที่ยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ อย่างเช่นการออกกำลังกายเนี่ยออกกำลังกายชนิดชนิดวันนิดวัลหนอยเนี่ยถ้าทำทุกวันทุกวันนี่นผ่านไปหนึ่งปีสามปีห้าปีส0บปีโอมันทำให้ร่างกายเรมีสุขภาพดีแล้วก็เจ็บป่วยได้ยากขึ้นนะในขณะที่คนที่ไม่สนใจเรื่องการออกกำลังกายเพราะคิดว่ามันไม่สำคัญ กับมีอายุสั้นหรือว่าเจ็บป่วยได้ง่ายการทำบุญทำกุศลก็เหมือนกันนะของบางอย่างเนี่ยดูมันดูเหมือนก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะแต่พอทำไปทำไปแล้วโอ้มันมีผลมหาศาลเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะแกเป็นนักธุรกิจแล้ว ก, ก็มีความตั้งใจว่า แกจะเคี้ยวข้าวให้ช้าลงแกเป็นคนที่แต่ก่อนนี่กินข้าวเร็วมากเลยเพราะว่าอยากจะรีบไปทํางานนักธุรกิจนะมีงานเยอะตื่นเช้าขึ้นมานี่ก็นึกถึงงานกาแล้วทาแล้วก็ทําเร็วอาบน้ําถูฟันเราต้องกินข้าวเด้อแต่ต่อมาวันนึงเนี่ยแกตั้งใจว่าจะลองเคี้ยวข้าวให้ช้าลงเพราะว่าไป ไปเข้าคอร์สคอร์สหนึ่งนะเขาก็แนะนําให้ทําอะไรก็ได้ที่มันจะช่วยทําให้ช่วยเราดีขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราจากเดิมเดิมแกเป็นคนใจร้อนนะก็เลยคิดว่าเออถ้าเราเคี้ยวคายช้าลงนี่มันน่าจะดีนะแล้วก็พอเริ่มทําเนี่ยนะไม่กี่วันมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะ อย่างแรกคือพบว่าข้าวนี่มันหวานแล้วก็รู้ว่าอาหารที่อร่อยเป็นยังไงแต่ก่อนนี่ไม่ค่อยรับรู้รสชาติอาหารเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่เคี้ยวเนี่ยตอนที่กินเนี่ยมันก็คิดถึงงานการอยากจะเคี่ยวให้เสร็จอยากจะกินให้เสร็จจะได้ไปทำงานห่วงงานเลยไม่รู้แม้กระทั่งว่าข้าวนี่มีรสหวานอาหารมีรสอร่อยยังไงก็ไม่รู้นะ แต่พอเริ่มเคี้ยวไายช้าลงเนี่ยอ้าข้าวนี่มันหวานนะแล้วก็เริ่มรับรู้ว่าอาหารอร่อยเป็นยังไงมันก็เป็นความสุขเล็กเล็กน้อยน้อยนะที่ไม่ควรจะมองข้ามอันนี้พอเคี้ยวไข่ช้าลงเนี่ยมีเวลาอยู่บนโต๊ะอาหารนานขึ้นแต่ก่อนห้านาทีก็ไปแล้วตอนหลังก็ใช้เวลากินอาหารนี่สิบนาทีสิบห้านาทีก็ มีเวลามีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับลูกที่กินร่วมโต๊ะแต่ก่อนนี้ไม่ได้คุยะนะกินเสร็จรีบไปเลยก็มีส่วนทำให้ความสัมพันธ์กับลูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนหลังพอได้กินอาหารร่วมโตอยู่กินอาหารได้นานก็ได้มีเวลาพูดคุยกับลูกความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนะ แล้วขณะเดียวกันเนี่ยพอกินอาหารหช้าลงนะจะทำกันได้เนี่ยมันก็ต้องรู้จักวางนะวางงานการวางธุระต่างๆพอวางเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็ผ่อนคลายมากขึ้นวางที่กินอาหารนี้จิตใจก็ผ่อนคลายก็ทำให้สุขภาพดีขึ้น น, นะไม่นานเนี่ยนะไอ้โรคปวดท้องโรคหายใจไม่ทันเนี่ย ซึ่งรบกวนเข้ามาเป็นสิบปีนี่หายเลยแต่ก่อนนี่กินยา ย, ยังไงก็ไม่หายแต่พอเคลียวคลายช้าลงนะโออไอ้โรคนี้มันหายไปเลยโรคปวดท้องโรคหายใจไม่ทันเพราะเราจิตใจผ่อนคลายไม่ได้คิดเรื่องงานเรื่องการให้เครียดและความผ่อนคลายมันไม่ได้มีหรือเกิดขึ้นเฉพาะเวลากินอาหารนะหลังจากนั้นเนี่ยนะแม้กินหารเสร็จไปทางานก็รู้จัก ก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าจริงๆกินอาหารให้ช้าลงเนี่ยมันต้องมีสตินะต่มันคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเมื่อไหร่มันก็จะรีบกินเรียบเคี้ยวแต่เมื่อตั้งใจจะกินาหารให้ช้าลงก็ต้องมีสตินะมีสติรู้ทันความคิดเหล่านี้แล้วก็วางงานการลงไอ้สติเนี่ยนะมันไม่เพียงแต่ช่วยทําให้ผ่อนคลายนะที่กินอาหารเวลาไปทํางานก็ผ่อนคลายด้วยความสำคัญก็ลูกน้อง ซึ่งแต่ก่อนนี้ก็มีแต่การดุดาเกิดความสมัติที่ตึงเครียดก็ผ่อนคลายเจ้านายคือตัวเธอก็ใจเย็นขึ้นใจร้อนน้อยลงความสัมพันธ์กับลูกน้องก็ดีขึ้นไม่เอาแต่ดุด่าว่ากล่าวนะยิ่งยำำามแจ่มใสมากขึ้นแล้วต่ลังเนี่ยนะพอความสัมพันธ์กับลูกดีขึ้นนะเพราะว่าได้พูดคุยกันในหลองที่รวมโต ลูกเนี่ยก็ทำงานให้กับแม่นะแต่ว่าแม่ตะก่อนนี้ไม่ไว้ใจลูกแต่พอความสมัยกบลูกดีขึ้นนะก็เริ่มผ่องถ่ายงานให้กับลูกนะตัวเองก็มีเวลาว่างมากขึ้นมีเวลาที่จะไปเยี่ยมพ่อต่างจังหวัดต่กอนบอกไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่เดี๋ยวนี้มีเวลาแล้วไปเยี่ยมพ่อพาพ่อไปเที่ยวพาแม่ไปเที่ยว ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ก็ดีขึ้นตามมาก็กลายเป็นว่าในชีวิตนี้มีความสุขขึ้นนะสุขภาพก็ดีความสัมพันธ์กับคนในบ้านคือลูกก็ดีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ก็ราบรื่นชีวิตที่เคยเครียดนะมีบางครั้งนีนนึงกับอยากจะค่าตัวตายเพราะงานการมันล้มเหลวตอนหลังนี่ก็จิตใจผ่อนคลายนะไม่มีความสึกแบบนั้นนะ ว้นมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เธอคาดไม่ถึงนะเพียงเพราะว่าเคี้ยวข้าวให้ช้าลงซึ่งที่จริงเนี่ยมันก็คือการเคี้ยวข้าวอย่างมีสตินั่นแหละนั้นเวลาเรากินอาหารเนี่ยถ้าเรากินอาหารอย่างมีสตินะวางเรื่องราวต่างๆงานการต่างๆที่รอยอยู่ข้างหน้ารวมทั้งปัญหาต่างๆที่มันรอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยวางไว้ก่อนนะ อยู่กับการเคี่ยวอยู่กับการกินรับรู้รสชาติของอาหารมันจะเพ้อคิดไปยังไงก็ปล่อยวางนะไม่ให้มันมาเร่งร้าจิตใจให้ร้อนรอนกระวนกระวายเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยวางด้วยมันก็ทำให้การกินอาหารนี่ช่วยสร้างความผ่อนคลายสุขภาพกายสุขภาพใจก็ดีขึ้น น, นการมีสติกับการกินอาหารเนี่ยแม่จะเป็นเรื่องเล็กน้อยวันหนึ่งเราก็อาจจะมีสติ ก, การกินอาหารแค่หนึ่งในสามหรือหนึ่งแม้แต่หนึ่งในสิบนะของเวลาที่กินอาหารเนี่ยแต่ถ้าทําทุกวันทุกวันนี่โอมันช่วยได้เยอะเลยไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมที่วัดแต่ถ้ามีเวลากินข้าวก็ให้มีสติ ก, การกินข้าวนะเกี่ยวข้าวจะมีสติเที่ยวข้าวเช้าลงสระคนที่เคยเร่งรีบนะ ามันจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตได้ในเวลาไม่นานนะถ้าว่าทำเป็นประจำเอาแล้วก็เตรียมรับผ่อนจิตตังปฏิตังตุมหังคอยตาพลที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วยีภาเมวาสมีชะตูจงสำเร็จโดยชาพราเพบปเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จัน โ, นโทปนรโสยธา เงื่อนพระจันทร์ในวันเพนมณีโชติราโซยทาเงือนแก้มณีอันสว่างสวัยผวนยินดีสาพิธิโยวิวาชันตุความจันไรทั้งผ่วงจงบำรากไปสาภโรโควินาสตุโรคทั้งผ่วงของท่านจงหายมาเตพา ว, วันตรายโยอันตารายามีแก่ท่าน สุขีทีภายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสานิจังุทธาปะจายโนจตารโธรรมาวาทันที่อายุวันโนสุขังภลังสามสีปาการคืออายุวันนาสุขาภลายอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกลาง มีปกติอ่านน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวตุสาวพะ ม, มังค์พลังพอสาวพระมงคลจงมีแก่ทรรมดูสาวพระเทวตาพอราเทวดาทั้งกวงจงราษาท่านสาวพระพุทธานุภาเวน่าด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาวพระธรรมานุภาเวน่าด้วยอนุภาแห่งพระธรรม ศาภาสังภาอนุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งภาสมัาธาโสธิภาวันตุเตขอภาสอ ด, ดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุ่งเมื่อเทิน